0 2 5 4 9 3 0 4หหรือที่เวอร์ไวยเว็บดอ t t ลต m u t t ทอาร์เอ็ยยฟร์มชอยินดีต้อนรั บ, รบค่ะ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 พวกโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยน่าชื่น อ, อกรมมานักต่อ น, นักเตือนใจไวัยเก่าต้องรู้เท่าทันสื่อหยุดสักนิดคิดให้ดีถามข้อมูลให้ท่วทีแล้วตัดสินใจดีๆว่าควรทำตามหรือไม่สนับสนุนรุ่นใหญ่ไวเพ็ดไม่เสพสื่อย่างสุ่มเสี่ยงโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล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 สูงชนกําเนิดคล้ายคลึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันแผกบ้างความรู้อาจเรียนทันกันหมดเว้นแต่ชั่วดีกระด้างอ่อนแก้หรือไหวสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่ ร, รายการเพลินภาษานานาสาระวันนี้ขึ้นต้นด้วยโครง สี่สุภาพซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้าซึ่งตอนนั้นคงในเวลาต่อมาก็คือรัชกาลที่หกพูดให้ง่ายๆก็คือเมื่อคราวที่รัชกาลที่หท่านากำลังจ ะ, สะเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ทางฝั่งโยุโรปแม้พอ อ่านอันนี้ขึ้นมาอ่านโครงนี้ขึ้นมาผมก็อยากจะโยงเหลือเกินว่าดูข่าวหรือใครที่ติดตามข่าวหนุ่มตีแว่นได้ออกมาโปยวายลั่นถนนแล้วก็มีการอัดคลิปกันเผยแพร่กันไปทัว่วทั่วว่าด้วยเรื่องการที่เจ้าหนุ่มตีแว่นนั้นนี่อวดอ้างความร่ําความรวย รวมไปถึงการดูถูกดูแคลนประชาชนคนไทยหลายคนก็คงจะไม่ค่อยที่จะพอใจแหละแม้ตัวเองดีมาจากไหนก็คนไทยเหมือนกันเพียงแต่โอกาสในการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศนะั้นอาจจะมีมากกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าฐานะทางบ้านตัว มากกว่าคนอื่นเขาดีกว่าคนอื่นเขาแต่ท้ายที่สุดเว้นแต่ชั่วดีกระด้างอ่อนแก้หรือไหวนี่เป็นเรื่องที่เราคงต้องมาพูดกันผมพูดอยู่ในหลายที่หลายเวลาหลายโอกาสเหลือเกินว่าสังคมไทยเราทุกวันนี้นี่มันมีลักษณะแบบนี้หรือไม่แรงน้ําใจไร้มารยาทขาดวินยัยและไม่กระตัญญู นี่คือหลายๆพฤติกรรมที่ฉุดรั้งประเทศไทยให้จมอยู่กับความความอพยพความอะไรอีกหลายอย่างที่เราจะพัฒนาประเทศชาติไม่ได้มันหายไปหมดความมีน้ำใจซึ่งเป็นเรื่องของคนไทยเราที่เราถูกสอนกันมาว่า เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับเราก็ต้อนรับขับสู้ปัจจุบันนี้อย่าว่าแต่นั่นเลยจะมาต้อนรับขับสู้เลยแค่ถามทางไปโน่นไปนี่ยังไม่ค่อยเต็มใจที่จะบอกเลยไม่ได้หมายก็ว่าคนทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นนะครับหมายก็ว่ามีบางส่วนที่ทำให้ภาพมันดูเพียเพ้ยนๆไปเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องของการไร้มารยาท โบราณพูดกันเรื่องของสัมมาคารวะการที่เราจะมีสัมมาคารวะหรือไม่นั้นเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้หญิงมีสัมมาคารวะกว่าผู้ชายเป็นเด็กก็จะต้องมีสัมมาคารวะกว่าผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่คนสมัยก่อนเวลาที่จะออกไปรับราชการนั้นต้องฝึกอย่าง อย่างแรงของอนุญาตใช้คำนี้แล้วกันการฝึกอย่างแรงคือฝึกเรื่องของการมีสัมมาคารวะเป็นเด็กเป็นเล็กนี่นะเมื่อก่อนนี่เออพูดแล้วก็เหมือนกับเป็นคนแก่มาบ่นโวยวายอะไรเวลาเราเดินสวนกับครูบาอาจารย์ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยจะรู้จักไม่รู้จักจะเคยเรียนด้วยสอนด้วยหรือไม่ ก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นเห็นลักษณะท่าทางอย่างนี้เป็นผู้ใหญ่ก็น่าจะเป็นครูบาอาจารย์เราก็หยุดยืนแล้วก็หันข้างไปทางที่อาจารย์เขาเดินมายกมือไหว้เด็กผู้หญิงก็จะต้องวางของแล้วก็ไหว้ลงไปจนกระทั่งชายกับโปร่งนุ่นกล่อมลงไปที่ผืนนุ่ น, นไม่สนใจว่าจะเลอะเทอะประการใด เราจะไม่เดินสวนกับผู้ใหญ่ไม่เดินสวนกับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เราไม่แม้กระทั่งจะไปเหยียบเงาศีรษะผู้ใหญ่นี่คือสิ่งซึ่งเราถูกอบรมกันมาอย่างนี้แต่มาถึงคนสมัยปัจจุบันแล้วแม้ก็ไม่อยากจะพูดเลยว่าคนที่จะจะต้องหลบนี่กลายเป็นผู้ใหญ่นี่พูดเหมือนอประสบการณ์ตัวเองเป็นอย่างนั้นซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริง เวลาเดินในมหาวิทยาลัยบางทีเราเดินไปคนเดียวแต่นักศึกษามากัน 4-5 ห้าคนเดินมาเป็นแผงอ่ะต้องพูดว่าเป็นแผงแทนที่เห็นว่าเราเป็นครูบาอาจารย์ก็จะหลบแล้วก็ยืนเรียงแถว เ, เรียงหนึ่งเดินเรียงหนึ่งก็ไม่คนที่กลายเป็นต้องหลบคือครูบาอาจารย์ซึ่งก็ ช่วยไม่ได้อยากไปคนเดียวเขามากันสีห้าคนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นใหญ่อยู่บนทางเดินตรงนั้นนี่เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าความมีมารยาทการมีสัมมาคาระวะของคนไทยเราค่อนข้างจะห่างหายออกไปสมัยก่อนเวลาผู้ใหญ่เขานั่งพูดคุยกันอยู่เราจะไปตะโกนเสียงดังโวกเวกข้ามหัวผู้ใหญ่ อย่างนี้คงคงทำไม่ได้ต้องอ้อมไปไปพูดค่อยๆไม่ได้พูดข้ามกันไปข้ามกันมาหรือไม่งั้นก็ต้องขอโทษเสียก่อนขอเดินผ่านเพื่อที่จะไปพูดกันก็ต้องก้มลงไปผู้ใหญ่นั่งอยู่กับพื้นเรายังต้องคลานไปขนาดว่าตัวเองโตมาในสังคมของของครอบครัวชาวจีนเวลาที่จะเดินผ่านผู้ใหญ่ก็ยังไม่ไวายที่จะต้องกม้ม เพราะว่าเตี่ยกับแม่ก็คงจะซึมซับรับเอาวัฒนธรรมไทยว่าไม่ใช่เห็นผู้ใหญ่นั่งคุยกันอยู่แล้วก็เดินฝ่าวิ่งฝ่าเข้าไปทั้งอย่างนั้นก็ทำไม่ได้การจะยกน้ําชามาบริการแก่เพื่อนแม่เพื่อนเตีย่ยเพื่อนอมาม่าก็จะต้องถือด้วยสองมือจะต้องรู้จักที่จะพูดรู้จักอะไรอย่างนั้นนี่คือเรื่องที่ ไม่ว่าสังคมตรงไหนก็ตามแต่การมีมารยาทจะทำให้เราอยู่ในสังคมได้ดีทำให้เราได้คบหากับบุคคลอื่นได้ดีด้วยการที่เราจะไปวิ่งเล่นกันอะไรทั้งหลายถ้าผู้ใหญ่ทนได้ก็ทนทนไม่ได้เวลาแขกกลับไปแล้วทีนี้แหละก็จะโดนเรียกมาแล้วก็เอ็ดเอ็ดไม่พออาจจะโดนฟาดไปด้วยเพราะว่า การไปวิ่งฝ่าทะลุกลางวงผู้ใหญ่นั้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำถือว่าไม่สำรวมเผลอๆถ้าทำอีกจะโดนสำทับวะจะตีให้มากกว่านั้นอีกบางทีก็พูดกันในแง่ของของคนที่เป็นเป็นเจ้าเป็นนายเวลาที่ท่านเดินเดินมา ก็ต้องใช้ว่าทรงดำเนินมาทางนั้นมหาดเล็กจะต้องเดินมาบอกล่วงหน้าแล้วใครจะวิ่งทะเลทะล่าเข้ามาผ่านทางที่กําลังจะทรงดำเนินหรือเสด็จไปตรงนั้นก็คงจะโดนการาบไปจะโดนเขี่ยนจะด้วยซ้าไปการที่คนไทยเราถือว่าเท้าเป็นของชั้นต่ำเนื่องจากว่าเท้าใช้เดินใช้ย่ำไปโน่นไปนี่ การเอาเท้าไปเที่ยวชี้อะไรให้คนอื่นเขาดูเหมือนที่ฝรั่งทำนั้นยิ่งทำไม่ได้ใหญ่เพราะถือว่าเท้าเป็นของต่ำผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขา เ, เป็นผู้ลากมากดีเขาก็จะไม่ทำอย่างนี้อย่างดีก็เอาไม้เท้าสมมติว่าท่านถือไม้เท้าเนี่ยนะครับก็คงจะใช้ไม้เท้าชี้แล้วก็บอกอปลูกตรงนี้นะเก็บตรงนั้นเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ ที่เราถูกอบรมกันมาแบบนี้ฝรั่งไม่เคยสนใจวันหนึ่งก็ไปแถวพัทยาที่พัทยาก็มีร้านที่ให้เช่าจักรยานให้เช่าจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์อย่างนั้นแล้วก็มีป้ายป้ายก็เป็นป้ายสี่เหลี่ยมๆนี่แหละแล้วก็มีขาตั้งวางไว้ที่พื้นฝรั่งเนี่ย เ, เนื่องจากตัวอักษรมันก็ไล่ไล่ไลงไปบาง บางถ้อยคํามันก็อยู่ติดที่พื้นฝรั่งก็ใช้เท้าชี้ว่าเนี่ยถ้าฉันจะเช่าอย่างเงี้ยแบบเนี้ยบุญหนึ่งวันเนี่ยคิดเท่าไหร่คือคนไทยเราอาจจะมองแล้วไม่งามขณะที่ฝรั่งอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากก็ถือว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารแต่พฤติกรรมแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรอย่างนั้นได้เพราะว่าคนที่เขาเจอดูถูกดูแคลนเขาก็จะ ลามปาลมเรื่อยไปว่าหย่อนการอบรมจากทางบ้านนี่คือคำที่แรงมากหย่อนการอบรมมาจากโรงเรียนมาจากป่าเขาลำเนาไพรไหนหรือจึงไม่รู้พฤติกรรมกิริยาแม้วันนี้ก็พูดกันเรื่องของออความไร้มรารยาทของคนไทยเราแล้วก็ เรื่อยไปไปถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับออความเป็นไทยๆอีกหลายเรื่องเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาคุยกันต่อครับรายการเพลินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมุ่งมัน่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตรักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยว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 เมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าคุยกันเรื่องเก่าๆพฤติกรรมของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ว่าต่างกันอย่างไรขออนุญาตพูดบางเรื่องที่เป็นเรื่องเก่าๆก็อย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนแล้วกันอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างสําหรับบางคนแล้วกันเนะเาะเรื่องที่จะพูดนี่คือเรื่องขนมครกล่าสุดนี่ไปซื้อขนมครกที่ตลาดหน้าหมู่บ้าน มีอยู่ประมาณ8คู่ใส่ในกล่องโฟม ร, <c oughs> ราคา20บาทก็ให้นึกไปถึงตอนเด็กๆว่ากันด้วยเรื่องขนมครกถ้าใครที่โตมาอย่างสังคมไทยยจะบ้านนอกหรือจะในกรุงก็ตามแต่เป็นอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเด็กผู้หญิงนี่ จะชอบเล่นขนมครกการเล่นขนมครก น, นี่อาจจะเล่นกันเล่นๆจริงเล่นๆ เ, เ, เช่นพื้นเป็นดินทรายก็ไปเอาช้อนมามาตักทรายออกแล้วก็ทำเป็นว่าเป็นเหมือนเหมือนเต้าขนมครกประมาณอย่างนั้นแล้วก็หยอดดินลงไปเรื่อยไปกระทั่งทำขนมครกแบบ เล่นๆ เ, เป็นขนมครกดินเผามีอย่างนั้นมีเต้าดินเผา เ, าเส้นผ่านศูนย์กลางสักห้าหนิ้วประมาณอย่างนี้ก็เล่นกันหรืออาจจะเล่นกันแบบเล่นลนจริงๆเล่นจริงๆเล่นแค่ขนมครกกันจริงๆคือเอาเต้าขนมครกมาแล้วก็ เไม่ได้ใส่แป้งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยุ่งยากก็จะใช้เหมือนกับทําขนมครกไข่เอาน้ํามันหมูทาที่เต้าขนมครกแล้วก็เอาไข่มาตีแบบเวลาเราทําไข่เจียวแล้วก็ไปหยอดสุกมาก็ได้กินขนมครกไข่แล้วก็รู้สึกว่าอร่อยเป็นอย่างนั้น <c oughs> นึกถึงภาพตัวเองตอนเด็กๆแล้วก็ได้กินขนมครกของป้า จำชื่อไม่ได้เสียแล้วว่าป้าอะไรสมมุติว่าท่านชื่อป้าเลื่อนแล้วกันเป็นคำโบราณดีชื่อบราณดีป้าเลื่อนขายขนมครกนี่เต้าก็เป็นอ่าเต้าสินเอาต้องเรียกว่าเต้าขนมครกแต่ว่าคนทางภาคใต้ไม่ได้เรียกว่าเต้าขนมครกนะครับเรียกว่ารางขนมครกก็เป็นเป็นดินเผาไม่แน่ใจว่าในเวลาต่อมาเนี่ย เต้าขนมครกนั้นจะพัฒนาไปเป็นเหล็กหรือเปล่าส่วนเตานั้นเนี่ยเป็นเตาที่ตื้นๆหมายถึงว่ า, ารังรังพึ่งที่อยู่ตรงข้างๆที่เอาไว้รองฐานนั้นเนี่ยอยู่ค่อนข้างตื้นเพราะว่าเวลาไฟจากฐานนั้นขึ้นไปกระทบที่เต้าขนมครกนั้นก็จะได้ง่ายหน่อยหนึ่งป้าเลื่อนนี่นั่ง ขนมครกนี่ตั้งแต่เช้าพะสายๆก็หมดเวลาไปยืนเนี่ยนะคนสมัยก่อนเวลาเขาไปซื้อของหรืออะไรนี่นะเขาจะใจเย็นมากนะครับเราก็ยืนรอไปเถอะขนมครกสักประมาณหนึ่งกระทงสักบาทสบาทเด่นจะได้ขนมครกของทางภาคใต้นั้นนี่ไม่เหมือน ก, นกันกับขนมครกของทางภาคกลาง คือตอนที่มาอยู่กรุงเทพใหม่ๆ ม, ม, มากินขนมครกของคนกรุงเทพก็ไปร้องขอน้ําตาลทรายของอแม่ค้าที่แคะขนมครกขายแม่ค้าบอกจะเอาไปทําอะไรบอกก็จะจิ้มนี่ไงเขาบอกหวานขนาดนั้นแล้วยังจะจิ้มอีกนี่ก็ออกจะงงเนื่องจากว่าแป้งขนมครกของของทางภาคใต้นั้นน่ยไม่ได้ผสมน้ําตาลก็จะเป็นแป้งล้วนๆจะแป้ง คงจะเป็นแป้งแป้งข้าวเจ้าสละมังเนาะอันนี้ก็ไม่เคยสันทัดว่ามันเป็นแป้ ง, ปงข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวเหนียวสมมติเราเป็นแป้งข้าวเจ้าแล้วกันก็เป็นแป้งเฉยเฉยแล้วก็หยอดไปสมัยก่อนนี่แป้งนี่คือต้องโม่แป้งจริงๆรล่วงหน้าก่อนวันหนึ่งจะโม่นานไม่ได้เพราะว่าตู้ยงตู้เย็นอะไรสมัยก่อนนั้นเนี่ยไม่ได้แพร่หลายเหมือนสมัยนี้การที่โม่แป้งก็คือโม่ เวลาโม่นั้นเนี่ยจะโม่กันตอนอย่างคืนโม่แป้งไปหยอดเอาข้าวหยอดเข้าไปในในช่องที่โม่หินนั้นแล้วก็จะมีคนที่คอยบดหมุนไปหมุนไปความจริงแล้วาการโม่แป้งอาจจะต้องใช้พละกกำลังใช้ลักษณะของความสมารถ สมัครสมานสามัคคีเช่นว่ามีคนคอยหยอดมีคนคอยหมุนมีคนคอยดูอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันเดี๋ยวต้องใส่ไม่ใช่ตักข้าวสารลงไปแห้งๆนะครับข้าวต้องมีน้ำหล่อเข้าไปด้วยแล้ว ก, ก็แป้งนั้นก็จะไหลออกมาหลังจากที่ข้าวนั้นโดนบดแล้วก็ไหลลงมาใส่ในเป็นถุงผ้าเป็นถุงผ้าดิบแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะเอาถุงผ้าดิบนั้นอะ ยกเอาโม่ขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาโม่ทับลงไปเพื่อให้น้ําที่อยู่ในแป้งนั้นเนี่ยมันไหลออกมาพอถึงตอนเช้าเราก็จะได้แป้งซึ่งก็ค่อนข้างจะหนืดๆชื้นๆหน่อยหนึ่งนี่เป็นภาพของการที่โม่แป้งผู้หญิงไทยสมัยก่อนเนี่ย เ, เวลามีชายหนุ่มมาจีบนี่เขาก็จะใช้วิธีประมาณอย่างนี้ล่ละ พ่อแม่ก็ให้อยู่ในสายตาจะจีบจะอะไรกันก็คงไม่ได้จีบกันมากมายอะไรหรอกผู้ชายแรงมากหน่อยก็โยก็ก็โม่ไปหญิงสาวก็หยอดไปพอถึงเวลานั้นก็เพื่อให้น้ําของแป้งนั้นเนี่ยมันมันมันไหลออกไปให้เร็วหลังจากที่วางโม่ทับลงไปข้างบนแล้วก็ใชาหนุ่มจะได้รับอนุญาตขึ้นไปนั่งทับบนนั้นก็ได้เพื่อให้น้ําหนักมันมันหนักมากน้ํามันก็จะได้ ออกมาวัยวๆหน่อยนี่เป็นเรื่องของการโม่แป้งซึ่งเป็นแป้งสดต้องใช้คำว่าแป้งสดคนสมัยใหม่ใช้คำว่าแป้งสดกันจนเคยชินจะทำอะไรก็ก็เป็นแป้งสดหมดอ่ะขนมจีนแป้งสดขนมเบื้องแป้งสดขนมจีบอะไรอย่างนี้ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ว่ากันด้วยออกระบวนการของการโม่แป้งทำขนมครกอย่างที่ว่า บ้าเลื่อนน้มสมมติที่ผมพูดมาเนี่ยก็จะเอาเอาทับพี ค, ค, ค, ค, ค่อยค่อยค่อยคคนคนในหม้อ น, นั้นอ้อต้องไม่ลืมว่าเต้าขนมครกหรือรางขนมครกนั้นเนี่ยเวลาที่มันจะได้เอาเราเอามาใช้งานนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำให้มันลื่นเสียก่อนหาไม่แล้วพอมันร้อนเนี่ยแป้งมันจะติด มันจะติดเข้าไปในในในครกทั้งหลายตรงนั้นวิธีการสมัยก่อนก็เอาน้ํามันมะพร้าวทาเข้าไปาทําผ้าขึ้นมาแล้วก็ยัดด้วยเศษผ้าแล้วก็เอาหนังยางผูกก็เป็นก้อนกลมๆแล้วก็จุ่มน้ํามันจะเป็นน้ามันมะพร้าวสละมังหรือน้ํามันหมูกันไม่นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มาเช็ดเช็ดเช็ดหรือไม่ก็ตอนเย็นก็เอาเอากาก มาเผาซึ่งได้มาจากการคั้นกะทิแล้วเนี่ยนะก็ก็ไปเช็ดเช็ดเช็ดลงในเต้าหรือรางขนมครกที่ว่านี้ป้าเลื่อนก็จะค่อยๆเอาทับพีหยอดแป้งลงไปแต่ละแต่ละครกแต่ละครกแต่ละหลุมค่อยๆหยอดไป แล้วก็ปิดฝาปิดทีละฝาทีละฝาทีละฝาในหนึ่งถาดคาเนว่ามีอยู่สักสิบสักสิบกว่าหลุม ส, สิบกว่าครกที่ว่าเนี่ยนะก็จะขยอยปิดปิ ด, ปดแล้วก็ค่อยคอยเปิดดูว่ามันสุกแล้วหรือไม่อย่างไรถ้ามันเริ่มสุกแล้วก็มาถึงกระบวนการหยอดน้ำกฐทิน้ำกฐทิของปลาเลือนก็เป็นกทิที่ขันสดขันเองเพราะว่า มะพร้าวสมัยก่อนนั้นเครื่องขูดมะพร้าวเหมือนสมัยนี้ที่ใช้ไฟฟ้านี่ก็ก็มีแล้วล่ะแต่เข้าใจว่าป้าเลื่อนไม่แน่ใจว่าจะใช้วิธีขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายขูดมะพร้าวเองแล้วก็คั้นเองหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ากะทิก็ไม่ได้ใช้อะไรมากก็แค่ครึ่งหม้อเล็กๆแต่ว่าแป้งนั้นเป็นหม้อค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยนึง หยอดไปหยอดไปพอเห็นว่าสุกได้ที่แล้วก็แคะขนมครกขึ้นมาใส่ในกระทงกระทงของป้าเลื่อนก็เป็นกระทงซึ่งทำมาจากใบตองแล้วก็กจับจีบอีตรงหัวท้ายแล้วกัดด้วยเป็นเข็มเขาเรียกอะไรนะไม้กัดทางมะพร้าวแล้วก็ ตักขนมครกเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่แล้วก็ตักน้ำตาลทรายไว้ที่ข้างๆด้วย 6-7 คู่8คู่ในราคาบาทสองบาทเองแล้วก็กินด้วยความที่ขนมครกที่ว่านี้เป็นขนมครกแบบคนภาคใต้ก็คือเป็นแป้ง ธรรมดาซึ่งไม่ได้ใส่น้ำตาลดังนั้นพอมันสุกมันก็กรอบเพราะกรอบเราก็เอามาจิ้มน้ำตาลกินนี่คือกินขนมครกแบบแบบทางภาคใต้หลังๆนี่เมื่อสักเดือนสองเดือนได้กลับไปบ้านต่างจังหวัดที่ภาคใต้ก็ยังมีการการทำขนมครกแล้วก็มีน้ำตาลทรายแถมมาให้ด้วย คนกรุงเทพไปอาจจะงงว่าแถมน้ำตาลทรายมาเพื่ออะไรแต่กรรมวิธีในการทําแป้งสดนั้นก็คงจะไม่สดแล้วล่ะเพราะว่าคงจะซื้อแป้งสําเร็จรูปมาไหนายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เตาก็เปลี่ยน ม, มาออถาดขนมครกรางขนมครกก็เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อแม้พูดกันเรื่องขนมครกแล้วก็มีเรื่องที่จะเล่าเยอะแยะเลยสักครู่เดียวครับ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 คงต้องบอกอย่างนี้ว่าขนมครกโบราณกับขนมครกปัจจุบันนี่อะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะขนมครกโบราณอย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของแป้งเอยเรื่องของเตาเอยเรื่องของอะไรเอย สมัยก่อนนี่ตอนเด็กๆจะมีขนมครกทีออ่อย่างที่พูดแล้วถ้าเป็นขนมครกปกติหน้ากะทิธรรมดาก็ราคาไม่เท่าไหร่แต่มันก็จะมีขนมครกพิเศษเป็นหน้ากุ้งคนโบราณเนี่ยเขาใช้กุ้งจริงๆกุ้งแล้วก็มาสับๆแล้วก็ผัดๆมันก็จะออกเป็นสีส้มๆหน่อยหนึ่งมาถึงปัจจุบันนี้หน้ากุ้งก็คือ มาร้าวเอาไปผัดผัดผัดแล้วก็ใส่สีสม้มเป็นทํานองว่าเป็นหน้ากุ้งหรือบางทีก็เป็นเอโรยด้วยเอด้วยต้นหอมซอยโรยด้วยมเมล็ดข้าวโพดเผือกหั่นเป็นชิ้นชิ้นหรืออะไรอย่างงี้นี่คือคือเรื่องที่แปลงหน้าของขนมครกไปเยอะแล้วถ้าเผื่อว่ามี มีเวลาหรือใครอยากจะทําไม่มีอะไรทำเนี่ยเนาะลองทําขนมครกข้าวเหนียวดูเคยตอนเด็กๆนี่เคยกินขนมครกข้าวเหนียวก็คื อ, อป้าอคนหนึ่งก็จําป้าชื่อป้าอะไรก็ไม่รู้แล้วนี่นะเขาก็จะแช่ข้าวเหนียวไว้ก่อนพอถึงเวลาก็ตักข้าวเหนียวมาแล้วก็หยอดลงไปมีน้ํานิดหน่อยครุคลิก ลงไปในหลุมขนมครกในรางขนมครกที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ช้อนเกลี่ยเกลี่ยไปรอบๆครกตรงนั้นพอมันเริ่มเข้าเหนียวเริ่มสุกมันก็จะกรอบนิดหนึ่งก็แซะออกมาแล้วก็ใช้มะพร้าวขูดขูดด้วยกระต่ายเนี่ยนะครับผสมเกลือนิดหน่อยจะมีน้ำตาลหน่อยหรือเปล่านี่แหละแล้วก็ตักหยอดลงไป ตรงนั้นนี่ก็เป็นข้าวเหนียวขนมครกข้าวเหนียวซึ่งไม่ใช่แป้งข้าวเหนียวนะครับเป็นข้าวเหนียวจริงๆนี่แหละก็ก็น่าสนใจดีสมัยนี้มาดูการทําขนมครกของคนรุ่นใหม่ขนมครกที่ขายอยู่ในห้างตอนนี้นี่โอโหขายกันเป็นล่ําเป็นสรรแป้งนี่มากันเป็นถังๆเป็นถังน้ําหลายแกนลอนทีเดียวเชียวแล้วก็ มีคนทำอยู่แค่คนเดียวก็พอด้วยซ้าไปสําละมังเพราะว่าเตาก็เป็นเตาแก๊สเป็นเตาแก๊สสามเตาสี่เตาคนเดียวยังสามารถควบคุมได้แล้วก็มีเต้าขนมครกที่ว่านิวางเรียงกันเวลาหยอด คนสมัยใหม่ในเวลาของเขาเป็นเงินเป็นทองจนไม่ได้มีความละเมียดละไยเหมือนเมื่อก่อนอย่างที่พูดก็คือป้าเลื่อนี่จะค่อยๆใช้ทัพปีหยอดไปทีละหลุมทีละครกคนรุ่นใหม่เอาแป้งใส่ในกากาต้มน้ําแบบที่ต้มกับเตาถ่านเตาแก๊สนี่แหละก็ใส่เข้าไปแล้วก็หยอด หยอดละเลงบืบเดียวเข้าไปเป็นแผงใหญ่โตแล้วเวลาปิดก็ไม่ได้ปิดทีละฝาก็ใช้เป็นาฝาอลูมิเนียมแบนๆปิดทีเดียวจะเร่งไฟเบาไฟก็สามารถทำได้ได้ที่ปุ๊บก็หยอดกะทิกะตักกะทิตูมตูมตู ม, ต, มตูมเข้าไป พอขนมครกสุกได้ที่อาจจะมีการแต่งหน้านิดหน่อยนะครับเช่นแต่งโดยเผือกข้าโพดต้นหอมอะไรอย่างที่พูดไปเรียบร้อยขนมครกก็สุกพอดีเตรียมพอดีก็แซะเวลาแซะก็แซะมาทั้งแผงทั้งอย่างนั้นเลยมันก็จะหลุดออกมาทั้งแผงพอหลุดออกมาทั้งแผงก็เอามาวางพักไว้บนตะแกรงแล้วก็ตัด ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นตามตามแต่ละฝาแต่ละหลุมแต่ละครกแล้วก็วางคว่าไปประกบประกบประกบกันไปใส่กล่องโฟมขายได้กล่องหนึ่งสามสิบสี่สิบมีอยู่ไม่กี่คู่นี่คือเรื่องราวของขนมครกซึ่งก็เดินทางมาไกลไกลมากจนทำให้เราคิดว่าขนมครกมันน่าจะมีอะไรที่ คงของเดิมไว้หรือไม่ตอนนี้ก็มีขนมครกแบบแปลกๆเข้ามาเจนว่าขนมครกแบบที่ใช้แป้งลูกแป้งข้าวเจ้าขนเหนียวอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็มีใส่เป็นขนมครกทะเลบางทีก็เป็นขนมครกที่ใช้ไข่นก กระทาอย่างนี้เป็นต้นก็แปลกดีแล้วก็คงต้องยอมรับว่าสรรพสิ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาโลกขนมครกทำพูดถึงขนมครกก็ยังอยากจะเห็นขนมครกแบบโบราณค่อยๆทาค่อ ย, อ ย, อ ย, อ ย, แยๆแซะไปคน ย, ยืนดูก็เพลิน <voix> ähnlich, ไ, ปไปกับการชมแม่ค้าค่อยๆหยอดขนมครกค่อ ย, อย ocaly, ๆ เ, ป, labour, เ ป, ปิดเปิดปิดปิดนี่เป็นภาพที่ เปลี่ยนแปลงไปจากชีวิตของคนไทยเราเยอะคนสมัยก่อนนั้นเวลาทาอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรแบบนี้ที่บอกไม่เร่งรีบอาจจะยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปซะละมังเราเห็นคุณค่าของเวลาเราเห็นคุณค่าของการประดิษฐ์ประดอยเห็นคุณค่าของการทาอะไรด้วยความพิถีพิถันเหมือนกับที่เรื่องที่จะพูด ปิดท้ายรายการนี้คือว่าด้วยเรื่องของโอกาสดีคำว่าโอกาสดีก็คือเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของคนไทยสมัยก่อนนั้นเนี่ยเหมือนที่เขาบอกอะน้ำขึ้นให้รีบตักบ้านบ้านเรือนสมัยก่อนก็มักจะมักจะปลูกอยู่ริมน้า พอปลูกอยู่ริมน้ำน้ำขึ้นมาก็น้ำมาก็ขัดถูบันไดนอกชานสาลาท่าน้ำหัวสะพา น, นาเวลาหน้าฝนฝนใหม่ๆจะไม่เอาเพราะว่ามันมาจากหลังคาซึ่งอาจจะมีคี้ฝุ่งขี่ฝุ่นก็รอสักหน่อยเก็บน้ำฝนรองไว้เต็มโอง่งทุกๆโอง่ง เวลาที่เราขาดแคลนน้ำหรือแล้งก็จะได้ดื่มกินจากน้ำที่เก็บเอาไว้ในตุ่มในไหวันไหนแดดดีๆก็จะรีบเอาที่นอนหมอนมุ้งออกมาตากออกมาพึ่งกันกระทั่งเอาหงอาหารก็หยิบออกมาพึ่งแดดเช่นเดียวกันเช่นกะปิซึ่งอยู่ในโถอยู่ในไหก็เอามาพึ่งแดดเพื่อไม่ให้หนอนมันขึ้น ปลาเค็มปลาแห้งที่มีอยู่อากาศชื้นๆมาหลายวันหลายเดือนก็เอาออกมาตากไม่ให้มันขึ้นราจะได้เก็บเอาไว้รับประทานต่อไปได้ หรือบางทีเวลาคนสมัยก่อนตัวเองก็ยังติดนิสัยนี้อยู่เพราะถูกสั่งสอนมาอย่างนั้นว่าเห็นอะไรหยิบติดมือไปได้ก็รีบทํำเขา่าหยิบติดมือไปได้ไหมไม่ได้ไหมก็มาไปลักเล็กขโมยน้อยใครไม่ได้ไหมายถึงอย่างนั้นสมมุติว่าจะขึ้นชั้นชั้นบนจะขึ้นบ้านชั้นบนมีอะไรที่จะเอาขึ้นไปได้ก็ก็ ก็รีบเอาขึ้นไปเสื้อผ้าที่ซักแล้วแห้งแล้วพับแล้วก็ถือขึ้นไปจะลงมาข้างล่างก็ต้องนึกว่าเดี๋ยวเราจะเอาอะไรลงไปดีหนอเอาขวดน้ําที่เราขึ้นไปดื่มแล้วมันหมดแล้วก็เอาลงมาหรือจะเอาผ้าที่เราจะไปซักคือทําอะไรก็มีสติอยู่ตลอดเวลาอย่ามาทมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลักษณะของการเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ตัวเองโดนมาเยอะแล้ว กําลังเล่นเล่นอยู่นี่นะแม่บอกให้ไปทํานู่นทํานี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็จะโดนปาบเข้าทันนั่นเองนี่ก็เหมือนกับนินทาแม่ผู้ล่วงลับไปแล้วนี่นะคือกลับมาจากโรงเรียนยังจําเหตุการณ์นั้นได้ว่ากลับมาจากโรงเรียนตอนเออช้านี่เราเอาอาหารไปกินไปเป็นอาหารกลางวันก็ใส่ในกล่องข้าวกล่องข้าวสมัยก่อนกับเป็นกล่องอลูมิเนียมนั่นแหละ แล้วก็มีฝาปิดแล้วก็ใส่ข้าไปอาจจะมีไข่เจียวมีไก่ทอดมีแกงเกงผัดเผ็ ด, ผดอะไรเงี้ยปิดฝากินกันเสร็จที่โรงเรียนกลับมาถึงบ้านแม่ก็จะเตือนว่ารีบเอากล่องข้าวนั้นไปล้างเดี๋ยวมันจะบูดเพราะว่าทำไมไม่ล้างมาที่โรงเรียนคือที่โรงเรียนเราก็หาน้ำยาล้างจานเออยอะไรเออยไม่ได้อยู่แล้วละ่ะก็ไอ้เราก็มัวแต่จะห่วงเล่น แม่บอกแล้วบอกอีกบอกเอาไปล้างเดี๋ยวมันก็ได้บูดพอบูดครั้งหนึ่งอะต่อไปใส่ข้ามจะบูดอีกไอเราก็มัวแต่เล่นอยู่แล้วก็จําได้เลยว่าโตไม่ใช่น้อยแล้วมศ ส, สาเข้าไปแล้วแม่บอกถ้าลือไม่อยากได้หรือก็ไม่ต้องเอาแล้วแล้วแม่ก็จับกล่องข้าวนั้นเวียงไปกลางถนนต่อหน้าต่อตาตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นว่าพอแม่บอกว่าให้ทําอะไรก็อย่ารอ อย่ารอนี่เราเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราถึงได้มีโฆษณาว่าทำดีอย่าเดี๋ยวไปเที่ยวก็อย่าเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็ไม่รอท่าเราทำไรก็ขอให้คำนึงถึงเวลาเป็นหลักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตสร้างประโยชน์แก่ตนเองสร้างประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและสังคมบ้านเราก็จะสงบสุขและเป็นสังคมที่มีคุณภาพวันนี้พูดคุยกันเรื่องของ สาระเกี่ยวข้องกับโบราณค่อนข้างที่จะมากถูกใจหรือไม่ถูกใจประการใดกริ้งครั้งมาบอกกันได้ที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับรายการเพลินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุงมัน